คนเช้าตอนเย็นฟังคำพูดเป็นอาหารใจแล้วก็เรากินอาหารทางปากเการิงกระลาหารอาหารที่เป็นคำข้าวที่เคี่ยวที่กลืนลงไปทุกวันทุกวันเป็นอาหารกายอาหารจังใจเราก็ได้ยินได้ฟัง แล้ก็ทำใจไปด้วยทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ให้มันเจริญสองทั้งสองฝ่ายทั้งกายทั้งใจของเราด้วยพวกเราก็เจริญสติไปในกายไปในใจจนสติมีอยู่ในกายอยู่ในใจเป็นหน้ารอบ เราได้มีสติไปในกายไปในใจก็เหมือนมีพระธรรมวินัยในตลียวินัยทำไม่ให้ตำแหน่งภิกษุผู้มีสติผู้มีสติไปไหนไปคนเดียวได้แม่แต่พันษาเดียวก็ไปได้ถ้าผู้มีสติต้องไห้าพันษาให้พนิษฐ์ยมุตตกะ จึงไปผู้เดียวได้ดูเจ้า ส, สรรลุศรนผู้ที่มีสติผู้มีสติก็ดูแลตัวเองและผิดชอบตัวเองได้พ้นเราจึงมุง่งพวกเราอยู่ที่นี่ก็มุง่งศึกษาเรื่องสติคือความรู้สึกตัวเป็นหมายเลขนึง ส่วนอันนึอื่นเราก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปเป็นคู่กันไปส่วนการเจริญสตินี่เราถือว่าเป็นสถาบันของพวกเราชีวิตของเราทั้งหมดไม่มีสติเกี่ยวค่องทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากกายนอกจากใจแล้วการทำอะไร การใช้ชีวิตประจำวันเติมสติลงไปถ้ามีสติในความรู้สึกมีความเลือกได้การทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมหลังบางวันลาจะไม่ได้นั่งอยู่ในกติของตนของตนบางโอกาสบางชงั่วโมง การอยู่อริยบทในอริยบทในกติมันเป็นอธติเลกลาบของเราแต่ชีวิตเราอาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบนี้เสมอไปเรา จ, จะต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างอื่นไปบินตำบาทไปครบไปชั้นครบพื่อนครบมิดเราก็เติมความรู้สึกเข้าไปฝึกหัด จนชำนาญจะพูดจะคิดจะทำสติเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เราหัสมันก็เป็นไปเองเป็นอัตโนมัติแต่เราไม่ฝึก <c oughs> ไว้จะไปใช่เลยมันก็ใช่ไม่ได้ใช่ไม่เป็นเราฝึกจนว่ามันคล่องทั้งหมดชีวิตเราคือสติ <c oughs> คือวความรู้สึกความระลึกได้แม้ว่ากายก็ดีใจก็ดีกายเป็นสิ่งที่สัมผัสได้หลายหลายทางเป็นตาเป็นหูสมองลี่นกายใจนในในมีลูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีพุทธภัการสัมผัสร้อนหนาว ตลดถึงจิตใจที่คิดมันก็มันก็หลายหลายทางหลายทวาวรแต่ถ้าเรามีสติจนชำนาญนก็จะลออไปเองเอาจริงๆแล้วมีเตสติเป็นเรื่องเดียวเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอตัทะทะในความรู้สึกตัว ตาเห็นโลกก็มีสติหูได้ยินเสียงก็มีสติจมูกได้กลินก็มีสติลิ้นได้รสก็มีสติกายสัมผัสถูกต้องก็มีสติกิจใจคิดก็มีสตินั่นจนเป็นเอตตะะะัคอันเดียวไม่ว่าเรามีกายเรามีใจก็คือความรู้สึกตัว การเคลื่อนไหวก็คือความรู้สึกตัวการหายใจก็คือความรู้สึกตัวการพลิ้ตาก็คือความรู้สึกตัวการยืนเดินนั่งนอนก็คือความรู้สึกตัวความคิดก็คือความรู้สึกตัวเมืรู้แล้วก็ค่อยทําค่อยแปรไปเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามไปความรู้สึกตัวไปอยู่ในการงาน ประโยู่ในการกระทำํำก็ไม่ไม่เพี้ยนไม่ผิดเพี้ยนเป็นชีวิตที่ชัดเจนเป็นชีวิตที่แม่นยำํำนอกจากการาเราใช้ชีวิตที่ไปกับงานกับการแล้วเราก็ปฏิบัติทมทุกเวลานาทีมีสติประก็ไม่ต้องไม่ต้องไปปรุง นี่เลชีวิตรุ่นรุนชีวิตที่ปกติชีวิตที่ปัจจุบันเราสุดยอดแล้วชีวิตเรามันไม่ได้อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่มีปัจจุบันวิ่งไปข้างหน้าวิ่งคืนข้างหลังเอาจริงเอาจังกับชีวิตข้างหน้าเอาจริงเอาจังกับชีวิตข้างหลัง โดยพราะความคิดลืมปัจจุบันไปปัจจุบันคือชีวิตจริงเราก็ลืมไปซะแต่เป็นบุญเป็นบาปก็คือปัจจุบันจะ ต, ตั้งต้นก็ตั้งต้นตรงนี้ก็ไล้ลืมตั้งตรงนี้ไปเพราะขาดสติถ้ามีสติมันจะอยู่ปัจจุบันแล้วก็ปกติ แต่เราไมีสติกิตใจก็ชอบปรุงของปรุงนี่ยถือว่าเป็นความขยันเขาเขียนภาพตัวขยันตัวปรุงนี่ที่เป็นสังขารเนี่ยเขาเขียนภาพเขียนภาพเป็นรูปในช่างปั้นหม้ออันอย่างนั้นละในช่างปั้นหม้อไม่วางไม่หยุดไม่ยั่งเลย ปั้นรลปเล็กโลปใหญ่ปัน้นโลปงามรูปไม่งามแต่หม้อที่ในช่างปั้นขึ้นจะเป็นโลกโูบงามไม่งามเป็นรู ป, ร ป, เ, ป, รปเล็กโลบใหญ่ก็แตกทางนั่นผิดผลของสังขารผิดผลของสมุทยัยในมันขยันขนาดนั่นละ่ะเขาขยันของเขากองขัดท่าที่เป็นอุปาทานเขาขยัน จิตก็ข ย, ยันคิดเปรียบเหมือนกับลิงลรงนี้มันอยู่นี่มัไม่เป็น <c oughs> มันก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันก็บจิตในมันคิดแราว่าสันตติเกิดขึ้นทนทะเลไหลไปม น, น้ำที่ไหลน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่ไหลมาเรกว่าสันตติทำทะเล ลักษณะของจิตแต่เราไม่รู้ไม่ดูไม่แล่มั น, นอยู่กับความคิดก็ไม่เห็นความคิดแต่เรามีสติมันจึงจะเห็นในตัวจิตเหมือนกับลิงตาเหมือนกับงูชอบดูชอบเพ่งเล็งหูเหมือนกับนกจมูกเหมือนกับ สุนัขบ้านลิ่นเหมือนจร ะ, ะเข้กายเหมือนสุนัขป่ากายเหมือนสุนัขบ้านโอหเหมือนสุนัขป่าสุนัขป่าก็จะวิ่งออกป่าสุนัขบ้านก็จะลูกสุนัขบ้านก็จะวิ่งเข้าแดนบ้านชอบอบอุ่นชอบอะไรวิ่งเข้าไปฮะนอนอ้อนแฉง แล้วกเป็นกลุ่เป็นขบวนขเขาที่จะต้องสร้างร่วมกันเพื่อให้เกิดโลกเกิดกิเลสตัณหาเกิดราคะเกิดอะไรต่างๆเป็นขบวนของเขาที่ร่วมกันทํางานส่งไปเหมือนก็เล่นทีมเล่นฟุตบอลเข้าเป้าหมายเป็นทุกโสกะปริเทวทุกโทมานตุปชยญาตเกิดดับเกิดดับขบวนการของขันธ์หน้าที่มีอุปทาน เราไม่รู้งก็ไปอย่างนั้นแหะปล่อยปั๊บก็บวิ่งไปข บ, บวนไปเลยเกี่ยวข้องกันเหมืนกับลงสนามเล่นจนจบฉากเล่นจนจบฉากฉากอากุศลฉากอะไรที่เขาแสดงออกในวัด ต, ตะบางทีมันเปลี่ยนกันตาเป็นใหญ่หูเป็นใหญ่ จมูกเป็นใหญ่ลิ้นเป็นใหญ่กายเป็นใหญ่ตาตาเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่แย่งความเป็นใหญ่แต่เสียงไห น, น, น, เ, ปนเป็นใหญ่เสียงนั้นเสียงอื่นก็วิ่งตามตาตาเป็นใหญ่ให้ดูนังเอากายก็ไปเอาใจก็ไปเอาหัวก็ไปเอาตาก็ไปเอาหัวเป็นใหญ่เอ า, า, ไ, ปเอาไปฟังเสียงอะไรก็ไปตามเปลี่ยนกันเป็นใหญ่เรียกว่าอินซี ชีวิตเราก็ถูกสังขารเป็นที่ข้าของสังขารมีอำนาจสั่งการสั่งงานในชีวิตเราไม่เป็นอิสระรับใช้อาการต่างๆหรือว่ามันมีปากหกปาก ต้องหาอาหารมาป้อนแต่ละปากมันกินอาหารไม่เหมือนกันต้องป้อนอาหารมันหกชนิดทุกวันทุกวันต้องหามาจอกๆอกๆอกอกอกอกเหมือนกัเราเป็นทาดบางทีมันมากกว่านั้นอีก ติดเหล่าติดบุรี่บุรีมันก็ไปงานอันหนึ่งเราก็ไปหาหาหาเหยื่อมาป้อนมันติดยามากติดยายสิติปร่างกายไปหาม า, ห, าหลังโชว์ฝ้าหน้าสุดินบุรีก็เอาไปกินยาเสพติดก็เอาไปกินเหล่าก็เอาไปกิน แทนที่ร่างกายเป็นเพื่อหามาร่างกายก็ไม่ได้กินอะไรเราเออกไปกินบุหรี่ออกไปกินกินหอมๆพร้อมจอกผอกตาเราไม่โลกมันมากมายชีวิตของเราเนี่ยไม่รู้จกอิ่ ม, มในโลกในรถในกิน่นในเสียงฟ้องอยู่เป็นนิด โลกนี่พลองอยู่เป็นนิดเป็นถาดของกิเลสตันหาไม่รู้จกอิม่มโลกนี่ไม่มีใครเป็นใหญ่ป้องกันไม่ได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเหมือนคาถาพระมหามหรัฐบาลพ่อไม่เอากองเงินกองทองมากองให้ กองของแม่กองหนึ่งกองของพ่อกองหนึ่งกองของรัฐบาลกองหนึ่งแต่สองกองของพ่อของแม่จึงจะเท่ากองของรัฐบาลกองเดียวโลกโลกมันก็คือลดโลกคือลดลดของโลกมันก็คือลด เสียงมันก็คือลดกลิ่นมันก็คือลดหูออกกายมันก็คือลดใจมันก็คือลดลดทางเสียงลดทางกลิ่นลดทางลดล ด, ลดทางกายลดทางใจมันมีรสชาติคือโลกสัตสัตว์ตโลกทั้งหลายก็ยอมติดอยู่ในรสของเขาหาเงินหาทองหาอะไรก็เพื่อรส อัด น, นี้พวกเรามาดูมาดูโลกโสทั้งหลายจงมาดูโลกพระพุทธเจ้าว่าโสทั้งหลายจงมาดูโลกอันวิกิตการดุดลาดฉลดที่ตกแต่งแล้วคนเขาเขาก็ยอมโมกอยู่แต่พวกมีปัญญาหากรงอยู่ไหมมาดู ตัดูโลกก็คือตัวสตินี่แหละเอาไปดูไปดูกายก็ดูใจมันก็จะเห็นหลายๆอย่างดูกายอย่างเดียวเห็นอาการร้อยแปดพันอย่างดูจิตใจอย่างเดียวเห็นอาการร้อยแปดพันอย่างเรื่องของกายก็มีมากเรื่องของใจก็มีมากแต่ดูเราก็ออกมาดูถ้าอยู่เราไม่ได้ดู ดูถ้าเห็นเรามันดูมันดูที่มันฉายออกมาเร <c oughs> าจะดูการเคลื่อนไหว <c oughs> เป็นอริบท <c oughs> เป็นนิด <c oughs> เคลื่อนไหวเพื่อให้รู้ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีแต่ความรู้ที่มันเคลื่อนไหวอย่างเดียวเกิด <c oughs> เป็นเวทนา เกิดเป็นความร้อนเกิดเป็นความหนาวเกิดเป็นความโปดความเมื่อยความหิวความสุขความทุกข์โอ้ออกมาให้ดูแล้วก็เห็นโอ้อันนี้ก้อนนึงโอ้อันนี้ก้อนนึง่งควา ม, มง่วงเอาหานอนตามมาลาคะพายาบาทอ้าวมันก็มีอยู่อีกถินามิทะ ก็จะกูก็จะความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนกูดีกูชั่วกูหลอนกูหนาวกูเจ็บกูปวดออกมันหล้่มเข้าไปกอรูดสุดตัวมันก็ถอนออกมาออกมาดูก็เห็นเป็นราการทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งใจเห็นกายเป็นโูกเห็นใจเป็นนามมันีก็ก่วงขวางแตกฉาน ดูไปดูมามันแตกฉานเหมือนคนเรียนลูกวิชาการต่างๆมันแตกฉานพอดูปั๊บเขาก็จบทันทีจำนวนออกมาได้ถ้าคนไม่ศึกษาก็ดูก็ไม่ออกดูกแปลนบ้านไม่ออกถ้าคนศึกษาถ้าคน ล, ลูกก็ดูออก ทีนี้เราถ้าเราศึกษามันจบอะไรคืออะไรอยู่ตรงไหนเป็นยังไงจบอันนี้มันเป็นลงตรงไหนความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ามไม่ใช่ตัวตนเวลามระโศกปริเทวะทุกข์ามไม่ทุกข์เรียกว่าอนุลมปฏิลม์ขาไปขากลับ พาไปก็ไปถึงชราเมรณะโสกกระปริเทวทุกข์พากลับก็คือมาถึงสติตงมีสติเลี่ยนเรวอยู่ตรงต้นมีสติตรงกลางมีสติที่สุดคือสติในส่วนก็มีสติเลี่ยนเรีวอยู่มีสติเลีล่ยนรียอยู่เป็นสุดยอดเลยวะเป็นสุดยอดไม่ไปไม่เวียนไหวไม่เป็นพบเป็นชาติไม่เป็นอวัฏ ต, ตะ ให้มันกัดทั้งกันอกิเรศกรรมวิบากยกตัวอย่างขิเลศกรรมวิบากเช่นตอนกินเล้ามันเป็นขิเรศยังไงมันเป็นกรรมยังไงมันเป็นวิบากยังไงเปรียบทันเปรียบเหมือนกับงูคาบหางไก่ ไก่ข้าบผังหนูหมูข้าบผังงูไม่ีมหมูมีไก่ไม่มีหมูไม่มีงูไมีไก่กิเลสกรรมในบากสามตัวตัวไหนเป็นตัวเริ่มต้นกิเลสกรรมในบาศเพราะกินแล้วจึงติดพอติดจึงอยากพออยากจึงกินพอกินจึงติดพอติดจึงอยาก ขเขาก็อยู่ในวัตฏะก็จะเปรียบกับกิเลสตัวเอก็มโนนันกันละเโนนันกันทีนี้อะไรมันคือกัรกิเลสวิบากกัรมกิเลสวิบากตัวกรรคือตัวกินตัวติดคือวิบากตัวอยากคือกิเลส กิเลสกำเนิมาเราจะตัดวัตถานี้ออกไงต้องต้องไม่กินเพราะไม่กินจึงไม่ติดเพรไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่กินพอไม่กินจึงไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากยังไม่กินนี่ก็เข้าสู่สู่ปกติเข้าสู่เข้าสู่การดับ ดับไม่เหลือถ้าเราไปใช่กับตัวอืน่นคนมั้นกันเราตัดตัดวิตัดวงล้อของกิเลสกรรมวิบากมันก็กลับขากลับขาไปทำาเราจึงโกรธทำไมเราจึงโลภทำอมเราจึงทุกข์้มันก็ต้องตั้งต้นจุดนี้แหละ เราเรามีสติเรามีความลู้สึกตัวกลมลู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวตัวดูเป็นตัวที่จะตรวจสอบสิ่งไหนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นตัวตรวจสอบถูกตรวจสอบทำให้เกิดความเป็นธรรมไม่มเข้าไปอยู่ในวงล้อ ในเข้าไปอยู่ในกิเลสกรรมวิบากออตัวโลกมันเป็นตัวคุมเป็นตัวคุมตัวคุมกำเนิดของสังขารที่มันจะเข้าไปเป็นแล้วก็เลยเห็นก่อนซะพอเห็นแล้วก็ที่เรานั่นก็ไม่มีอำนาจสั่งการไม่ได้ เราจะมาสร้างตัวลูกสุดตัวเนี่ยดูมันดูมันอย่านี่แหละลูเอาไว้ลูกเอาไว้อย่างนี้คอยดูต้นตอเ่อมันจะเกิดมันก็มีเท่านี้แหละมีกายมีใจพ อ, อได้พูดให้ฟังแล้วสุดยอดการศึกษาเป้าหมายการศึกษา จะทำให้แพทย์ชนะก็ต้อง่วมรวบยอดก็คือ ม, มาดูจิตแต่ว่าก่อนจะดูจิตต้องผ่านกระบวนการหมู่นี้ลุกไปนานแล้วลุกกายลุกอะไรต่างๆลงลงอยู่ที่จิตมันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไปอยู่ตรงไหนหรอก ผู้ใดระวังกิจผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมานผู้ใดระวังกิจมาจุฬาตามไม่ทันย่กิจตังสันนิเมตสนตมันติโมขันติมาละพันธนังประโมกกระาดกลัวความตายพระพุทธเจ้าว่าจงระวังกิจผู้ใดระวังกิจผู้นั้นจะพ้นจากบ่วง มันจุลาดือ่าเราระวังเราดูอยู่ตรงนี้แต่แพ้จะชนะก็อยู่ตรงนี้แหละน้องกุเทียนเปรียบว่านักชกชกใส่ตองอื่นมันไม่แม่นหอกชกใส่ตามัน ่ชกใส่าตามันถูกตามตามันทุกทีถูกตามมันทุกทีเอาไปมามันก็ไม่เห็นหนนไม่เห็นทางมันก็ยอมแพ้ไปก็คือดูกิจเอาสติดูกิจเอากิ่นดูกิจนนี่คือตามอยู่ตรงนี้แหละตาสมุทัยตาสังขารตาโลกตาจิเลตัญหาอยู่ตรงนี้แหละมันตั้งกอวดขึ้นตรงนี้แหละ คิดขึ้นมาเราโกรธคิดขึ้นมาแล้วโลภคิดขึ้นมาเราหลงคิดขึ้นมาเราเกิดจิเลตันนะคิดขึ้นมาเราพอใจไหมพอใจเป็นโศกเป็นทุกข์นี่คือตามันโัวสติก็คือเป็นหมัดหนักๆว่ามันคิดขึ้นมาลูบพับนะโอ้พับถูกตามันแล้วง่ายก็ลูบอีกไม่ก็ลูบอีกมันจะไปไหนบ้าะ เรือล่มในหนองทองมันจะเป็นไหนเมื่อตรงตรงนี่แหละเห็นมรรคเผลก็ตรงนี่แหละคิดตังเมคิดตังในชนะตนก็ตรงนี่แหละจบก็จบลงที่ตรงนี้แหละอืตัวสมุทัยก็อยู่ตรงนี้ตัวตัวละสมุทัยก็อยู่ตรงนี่ตัวมรรคก็ตัวตรงนี้แหละตัวนิโรธก็อยู่ตรงนี้แหล ะ, ะแต่เราพอมาคิดรู้สึกเนี่ยทํา ทำมักให้เจริญแล้วละสมุทัยแล้วทําให้แจ้งในนิโรธแล้วต่อลูกพอรู้สึกมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ไปตรงไหนมันก็จบปกติปกติธรรมชาติตัวตรงนี้แล้วรู้สึกรู้สึกอยู่ตรงนี้แหละเราพยายามามีแต่รู้มีแต่ตัวรู้ ต็มไปหมดล้วพเรียก ว, ว่าอุชงกายยังปริมุขขังตัดเงอุปัตเปตวะประโยคน์ขาวจรผู้มีสติเป็นหน้าโอกผู้ปฏิบัติพระไม่เผอมีสติเป็นวินัยเป็นพระคีนาสกพรคีนาสกก็คือพระลหันคีนาสกผู้มีสติเป็นวินยัยหน้าโอก มายแล้วปันไม่มะไรอีก็แล้วปันไม่รู้จะทําอะไรแล้วปันมีสตินรอบโูกไว้ไหนก็ลูลมีหนึ่งเดียวคือตัวโูมสึกตัวชีวิตชัดเจนแน่นยําไม่ปรุงเป็นชีวิตลว้ลวนล้วนบริสุทธิ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศีลสิ ข, ขาถลุงย่อยแยกไม่เป็นรุ่น เห็นกายเป็นรูปเห็นใจเป็นนามเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเป็นอาการเห็นสิ่งต่างๆที่มีในกายเป็นธรรมชาติเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกิตเป็นอาการเห็นธรรมชาติที่ไม่อยู่ในกิตไม่ไม่รุ้งไม่แต่ธรรมชาติมีแต่อาการตอบอยู่จุดเดียวเห็นอยู่จุดเดียว เห็นไปนันเดียวนี่คืออาการนี่คือธรรมชาติลงตัววิตที่ลงตั ว, ว, ตวไม่มีเศษไม่มีเหลือไม่มีอระไรที่ต้องไปแบ่งให้ใครอีกลงตัวพอดีพอดอีเป็นธรรมชาติเป็นอาการตอบได้หมดเฉลยได้หมดนี่สติมันไม่ใช่สติธรรมดานะตัวสตินี่ถ้าเป็นมหาสติเรอ ศีลกิดมาที่ปัญญาเป็นมากเป็นผลเป็นพรมจันด้วยติสุดคือพรมจันบริสุดคนมีสติก็ไม่เปิดไม่เพืเ่อนกับอะไรแล้วตวัวประพฤติพรมจันจริงๆ ก, กส็สติน่ะนะ ไ, ไม่ใช่คนผมผมเหลืองนุ่งขาวผมขาวนั่นก็เป็นรูปแบบ เป็นรูปแบบแต่ว่าตัวผมทธะจริงๆคือขุดตัวลู้สึกตัวจนรอบครอบมีสติเป็นหน้ารอบนั่นแหละ <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้าของเรานะหลายองค์พระลหันได้เกิดเป็นพระหันเนี่ย ก่อนจึงค่อยมาห่มผ้ากีวรหลายรูปไม่พระลหันแปดสิบรูป น, รนครึ่งต่อครึ่งเป็นพระลหันก่อนเข้าถึงพรมจรน์ก่อนจึงมาโกนผมห่มผ้าเลื้องราะนั้นเนี่ยตัวนี้แท้ๆล่ะศึกษาตัวนี้แหละเราไม่ผิด อามรอยพระเจา้านี่แห ล, ละรอยแท้ๆล่ะไม่ใช่ลอยพระบาทอยู่สระบุรีอันนั่นก็อ่ไม่ต้องคิดไทเปลืองสมองแต่ถ้าลอยที่เราทำเนี่เป็นลอยศีลรอยสมาธิรอยปัญญาในศีลก็ช่วยเราสมาธิก็ช่วยเราให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอปัญญาก็หลอบโลชโลยได้โู่แจง้งทะลุทะลวงกับชีวิตของตัวเรา ก็เหมือนกันแหละความเป็นจริงเราชีวิตเราเหมือนกันจะเป็นชาติใดภาษาใดจะเป็นตรมัดสัจจะนี่ไม่ใช่ชาติชั่นวันนะไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่นิกายเป็นหนึ่งเดียวนี่พวกเราที่นั่งอยู่นี่ตอนมี้ติีก็เป็น